ท่านะเมื่อได้ปฏิบัติธรรมกันไปเรียบร้อยฟังพระสูตรอย่างเต็มเต็มโดยพระมาร์คชาคาวโรซึ่งทำให้พวกเราสงบกันไปทีเดียวนะคะพอมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภรรัยบุญอภรริปุโนในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะน้ำสการเทาะท่น า, านคะอาย์อท่านอาจารย์คะรายการนี้ได้นาเอาพุทธวัจนะ ที่ว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเดี๋ยวฉันพูดถูกใช่ไหมคะมาพูดอยู่เสมอเสมอหมายความว่าอะไรคะท่านคะก็หมายความว่ากรรมก็คือการกระทาแล้วเจตนากระทาอะไรทางกายม า, จาใจใจอันนี้เป็นกรรมหมดมและถ้าไม่มีเจตนาอะไรคะท่านถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมอันนี้ทางพระพุทธศาสนาที่หยิบยกขึ้นมาเพราะว่าฉันไปอ่าน เขาโฆษณาขายหนังสือรายสัปดาห์เกี่ยวกับทางการเมืองนะค่ะอแล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าไม่เจตนาแต่เป็นกรรมครับเป็นการแซวพระพุทธเจ้าแต่นี้อยากจะมาเข้าใจความหมายของเขาเลยค่ะกรรมเนี่ยกรรมคํำนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือกรรมไม่ดีผลของกรรมคนไม่ได้เจตนาทํากรรมใช่ไหมแต่ต้องได้รับผลของกรรมไหมไม่เจตนา สมถ้าเป็นถ้าเป็นตามเดิมที่ดิฉันศึกษาจากที่ท่านเอาคําสอนของผู้เจ้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าใจว่าไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมคือเจตนาเราทําตรงนี้ใช่ไหมค่ะเราจะเริ่มรับผลต่อไปแน่นอนแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเราได้ทํากรรมมาก่อนแล้วสมมติ ก, ก่อนหน้านี้อีกหลายปีหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้น ะ, ะเราได้ทําอะไรไว้สักอย่างใดอย่างหนึง่งเราจะต้องมารับผลของกรรมนั้นตอนนี้นะ แต่ว่าถ้าตอนนี้เราทําอะไรไปสมมติเราอยู่บ้า น, นเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคุณก็ไม่ได้เจตนาอยูแล้วนี่แต่คุณต้องรับผลของกรรมที่คุณได้ก่อไว้เมื่อก่อนเอาไปว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภาษะที่เราชอบใจที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยเช่นไปกินกาแฟแล้วแหมอร่อยจังเลยนี่แหละคือกรรมเก่าเพราะฉะนั้นคนที่มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากมีทรัพย์มากเจอแต่ภาษาที่ชอบใจจําไว้เลยคุณน่ะได้เคยทำทำกรรม ที่ดีๆเอาไว้ก่อนอดื่มกาแฟอร่อยนี่ก็ถือว่าเป็นผลแห่งกรรมดีเหรอคะทา่านเออก็เพราะเราชอบใจในภาษาเจอภาษาจากที่ชอบใจอ๋อเออคือถ้าสมมุติว่าเอมีเพื่อนดิฉันบางคนผู <c oughs> ้เออเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เพิ่งไปทานข้าวกันมานะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนกระเป๋าสตางค์หายบ่อยอือย่างนี้นี่ถือว่าเป็นกรรมไหมคะเหมืนอนอย่างดิฉันเองเนี่ยตัวเองนี่จะมีปัญหาว่า รองเท้าเนี่ยขออภัยนะคะยกตัวอย่างรองเท้ารองเท้ามันจะพังบ่อยในยามที่เรากำลังเดินทางเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะซื้อรองเท้าที่เราชอบเก็บไว้นานๆ แ, แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่พอไม่ได้ใส่ปุ๊บอ่ะรองเท้าปัจจุบันนี้เขาจะทำจากพื้นที่เป็นใยเป็นสารสังเคราะห์ไม่ใช่ยางพาราแท้อะไรเงี้ยนะค ะ, อะพอจะใช้ขึ้นม า, าระวังดู หยิบใส่กระเป๋าเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอใส่รองเท้าเหยียบย่างเดินมันไม่เท่าไหร่เนี่ยมันเกิดการแตกมันเกิดการเสียหายแล้วใส่ไม่ได้เลยแล้วบางครั้งก็ไปเกิดในทินธุรกันดารอย่างนี้เป็นกรรมไหมคะท่านอันนี้เป็นการการกระทําแน่นอนทำไมาจะเปลี่ยนคําว่ากรรมเป็นการกระทํานะมันเป็นกรรมเก่ารึเปล่าคะเพราะมันเกิดบ่อยเลยคะท่านเอาถามว่าคนที่กระเป๋าตั้งหายบ่อยๆเป็นการกระทําของคุณไหมอ่ะคุณไม่มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นการกระทํำไหมใช่ คุณรับผลของการกระทํำสิแต่ทีนี้บางครั้งอ่าไม่ใช่ของหายก็ได้นะคะเราอย่างคุณเดินคุณนีเป็นต้นอ่าของดิฉันก็ยังเป็นของเสื่อมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างอีก<ช>แบบหนึ่งที่ถ้าอาจารย์น่าจะตอบเหมือนว่าเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำํำอย่างนั้นใช่ไหมคะว่ารู้ก็รู้ทั้งรู้นะคะว่ารองเท้าสมัยใหม่นี้มันมีอายุจํากัดมีเพื่อนที่ขายรองเท้าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยนะว่ารองเท้าอายุมันจะอยู่ประมาณ2ปี ถ้าหากว่าพื้นใช้วัสดุสังเคราะห์อย่างเนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้ทนเนี่ยให้ซื้อพื้นเป็นอย่างแท้ๆเพราะว่าจะอยู่ได้นานนะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นอีกกรณีนึงค่ะท่านคะสมมุติว่าอาดีตฉันเองเนี่ยยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะเป็นคนชอบมีอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันคือถ้าแรงๆนะคะล้มก้นกระแทกแล้วให้ความรู้สึกเกือบจะพิการได้เลยในสามสี่ครั้งที่เจอมาเนี่ย เราก็มาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นกรรมอะไรของเราหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ควรเกิดอ่ะล้มแรงค่ะแต่ละครั้งนี่เกือบจะเป็นอะไรมากๆไปได้เลยออค่ะคู้ดี่เจอภาษาที่ไม่ชอบใจนะอันนี้นคือกรรมเก่าแน่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบใจนี้เป็นการกระทำที่เราเคยทามาก่อนอันนี้แน่นอนอันที่หน อ, อันที่สองแล้วการกระทําแบบไหนนะที่ทําให้เราต้องล้มแบบนี้ใช่ไหมค่ะอ่า เกี anya, ่ยวกับรองเท้าหรือเปล่าไม่เก uh ี uh ่ยวเลยค่ะท่านค่ะใช่ไหมดังนั้นก็คนต้องพิจารณาดูว่าไอการกระทําเนี่ยมันก็มีหลายแบบอบางทีมันไม่ใช่ผลของการกระทําที่เราทําไว้ก่อนแต่ละมันก็ให้ผลกับเราอันนี้ยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าเออเราไม่เคยด่าคนนี้เขาไว้ก่อนอยู่ๆเขามาด่าเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรรมที่เขาสร้างของเขาเองค่ะใชไหม กรนีของคุณยมติ๋วเนี่ยพี่พูดถึงว่าหกล้มเนี่ยนะเรอามาคิดว่าเราสามารถป้องกันได้ถ้าเรามีการเตรียมตัวอย่างดีแลนะมีการวางแผนการเดินทางมีการาใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆมาช่วยมันก็จะป้องกันไปได้นั่นแหละอืมเือบมีความสับเพร่าในลักษณะเดิมเดิม จึงเกิดอุบัติเหตุซ้ําแบบเดิมๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือถ้ามันเดิมๆเสองครั้งสามครั้งเนี่ยมันแก้ไขได้แน่นอนแต่ไม่เหมือนกันนะคะลักษณะเนี่ยเหตุไม่ค่อยเหมือนกันแต่ผลเหมือนกันเลยค่ะมันเลยทําให้เราบางครั้งอดคิดไม่ได้แต่ท่านบอกว่ามันไม่เสมอไปใช่ไหมคะไม่เสมอไปก้ได้ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นสองสามครั้งแล้วนะแสดงว่ามันมีเหตุที่ซ้ําไปซ้ํามาเราแก้ได้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของกรรมที่บอกว่า อ่ามันเป็นกรรมที่เราไม่ชอบชเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจใและเราก็ไม่อยากได้แต่มันเกิดขึ้นถ้าจารอธิบายว่ามันมีทั้งที่เป็นกรรมเก่าและมันอาจจะเป็นทั้งเกิดจากการที่เราระมัดระวังไม่เพียงพออันนั้นก็คือกรรมเหมือนกันด้วยการทำเป็นกรรมเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเป็นกรรมในลักษณะที่จะส่งผลถึงเราในขณะที่เรากําลังจะทํานี้ หรือได้ทําลงไปแล้วอธิบายโดยการใช้พุทธวจนะที่ฉันหยิบยกขึ้นมาว่าเอพุทธวจนะถูกล้อเลียนถูกแซวหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คือพระพุทธองค์ตรัสว่าเรากล่าวว่ า, เร า, า, ววาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมคือการกระทำการกระทำะที่เราทําไปโดยตั้งใจมันย่อมส่งผลเป็นผลแห่งการกระทํา S <S ใช่ไหมคะใช่ทั้งทางกายวาจารหรือทางใจ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันมากๆเลยนะคะเราจะมาดูตัวอย่างง่ายๆสั้นๆนิดหนึ่งแกว่าเราไม่มีเจตนาฆ่ามดทางใจค่ะแต่ว่ากายเราทําไหมทําอันนี้ไม่บาปบาปไหมคะ <S 2> <S 2> คือถ้ากายวาจาใจไปด้วยกันบาปมากค่ะแต่ถ้าไม่ได้ไปด้วยกันมันก็ลดสัดส่วนลง ออกเป็นกระบาลนิดหน่อยผู้รู้จักบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจค่ะถ้าคุณตั้งใจว่าจะฆ่ามดคุณเอายื่นมือออกไปด่ามดด้วยข้ามดด้วย อ, อันนี้ทั้งกายวาจาใจอันนี้บาปแน่นอนเป็นเป็นการกระทําทั้งทางกายวาจาใจเพราะว่าถ้าอย่างกับมดเนี่ยมันยังพูดยากนะคะแต่ออสมมุติกับคนแล้วกันถ้า ค, ค บ, บางทีเนี่ยเราไม่มีเจตนานะคะเราเออไม่มีเขับรถไปท้งใจใช่ไหมครับสมมุติไม่มีเจตนาไม่มีใคร สักกี่คนที่อยากขับรถแล้วไปเฉียวชนใคร <Okay. S 1> ก็เกิดไปเฉียวชนคนเราไม่มีเจตนาเนี่ยแต่ไอ้คนถูกเฉียวเนี่ยมันโกรธมากเลยอเอาก็แต่ว่าทางกายเนี่ยได้ทำไปไหมคะได้ท<ำ>ก็ได้ทำก็ถือว่าเป็นกรรมบ้างถูกไหมคะท่าน ถ, ถ้าถ้าให้ ก, รรนะกำลังอันนี้เรากำลังมาทำคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องกรรมกันว่าบวกลบคูณหารแล้วผลมันจะออกอย่างไรออกหรือไม่แต่มันก็ต้องออกแน่เพราะว่า ทางกายเราได้ทําไปอืม hmm. คือถ้าเราจะแบ่งพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าใจเนี่ยเป็นประธานใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าการไปคุยกับนิคโครนนาสบุตรเนี่ยเขาบอกว่ากายสำคัญพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ใจสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นใจเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมโอเคคุณทําคุณอ่าถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคุณไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็ผิดน้อยหน่อยถูกไหม <Yeah. S 1> อ่าเพราะว่าใจาไม่ได้คิดจะทําแต่ทางกายวาจามันไปไหมล่ะ อ่าถ้าไปหนึ่งก็เป็นกรรมทางด้านนั้นพ่อไปเฉี่ยวเขาในทางกฎหมายมันผิดแน่นอนเลยค่ะถ้าเขาเดินถนนอยู่แล้วเราขับรถไปเชี่ยว น, นะคะอ่าก็ต้องได้รับผลไปอืมเพราะฉะนั้นคือเราต้องพระพรุทธเจ้าเลยแบ่งสามอย่างไงกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยค่ะต้องบริสุทธิ์หมดอ๋อคําไม่งั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลผลเพื่อนไปนิดนึงดิฉันได้ฟังพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านแสดงธรรม จับประเด็นมาได้นะคะแต่โดนใจดิฉันค่ะ mm hmm. คือท่านพูดทำนองที่ว่าอย่าไปด่าใครเขาการที่เราไปด่าใครเขาเนี่ยมันเหมือนกับเราคำพูดของเราที่ด่าเขาเนี่ยไปฝากเขาไว้ mm hmm. ฝากเขาไว้แปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องได้กลับคืนมาเพราะมันเป็นของของเราอะค่ะ <laughs> มานั่งคิดตามมันก็ท่านพูดได้ <laughs> ได้ เขาเรียกว่าอะไรนะคะสะท้อนความจริงอะ่ะถ้าหากท่านไม่พูดอย่างนี้บางทีเราก็คิดไปไม่ถึงจริงเนาะบางที <Okay. S 1> มีใครมาว่าเราเนี่ยเราก็เก็บไว้นะ <Okay. S 1> แล้วเรามีความรู้สึกแบบถ้าพูดเจ็ยาบบางทีแม้ว่าเขาตอบดาเขาตอบอะไรเงี้ยคะ่ะในใจนะคะ ใ, ในในยะตรงข้ามก็มีเหมือนกันค่ <c oughs> นะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยในยะตรงข้ามก็โดนนะมีคนมาด่าพระองค์ค่ะเอาที่เราไปด่าเขาเนี่ยที่คุณโยมติอธิบายไว้ถูกต้องนะแต่นี้พอมีคนมาด่าเราละ่ะมีคนมาด่าเราเนี่ย มีพรามองหนึ่งมาดา่าพระพุทธเจ้าด่าเสียเสียให้หายมากเลยพระเจ้ า, าก็นิ่งอยู่พระเจ้าก็ถามพรามบอกว่าพราม์เคยไหมอ่ะมีคนมาที่บ้านของ<า>พราหม์เนี่ยมีคนมาเยี่ยมเคยไหมถามก็บอกว่าเคยแล้วมันเกี่ยวอะไร ด, ด้วยล่ะ<า>แล้วคนที่เขาเอามาเนี่ยเขามีของติดไม้ติดมือมาฝากเนี่ยมีไหมถามก็บอ ก, บอกมีพระเจ้าก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเขาเอาของมาฝากท่านเนี่ยแล้วท่านไม่ได้รับเนี่ยของนั้นจะตกเป็นของใครถามก็บอกเอ้าก็คืนเจ้าของไปสิ รพระเจ้าก็ยกตัวอย่างเลยบอกว่าพรามเธอมาสู่อาวัยของเราเธอเอาคําชั่วหยามมาฝากเราเราไม่รับคํานั้นตกเป็นของใครก็ของรามนั่นสิรามก็เลยโอ๊ยอายมากกลับไปเลยอ๋อเหมนถ้ามีใครมาด่าเราเอาขอมาฝากเราเราจะเก็บไว้ไหมล่ะอืใช่ปะเราไม่เก็บก็คืนเขาไปแกันนั้นเองมันจะคืนได้ไงคะเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยหูก็ได้ยินนะคะตายังเห็นถ้าเห็นทางเวลาดา่าเราทำหน้าเกลียดน่าเกลีย ด, ยดอะไรเงี้ยคะ่ะจะทอยังไงคะท่านคะ เพราะว่าจิตของเขาคําของคําพูดของเขาเนี่ยที่มีวาจาชั่วหยาบเนี่ยวาจาของเขาก็เป็นอกุศลละเพราะฉะนั้นเราอยากเอากับอกุศลเข้ามาในจิตของเราเพราะเขาเอาอคุศลมาให้เราเนี่ยเราอยากเอาถ้าเราไม่ได้เอาอคุศลก็ตกอยู่ที่เขาอยู่ดีวิธีไม่เอาเนี่ยทํำยังไงคะในเมื่อหูเราก็ไม่ได้หนวกนะค ะ, ะเราก็ได้ยินนะคะท่านคะครูดิจ่าบอกอย่างนี้ว่า ทุกทั้งหมดรวมลงที่เวทนาถุกป่ะเราได้ยินปุ๊บเนี่ยโอ้มันจิตมันชอบไม่ชอบขึ้นมาเลยค่ะเอ๊่นี่มันด่านี่โอ้มันไม่ได้นะมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาในจิตใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าเอาก็ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างที่ท่านมาร์สได้อธิบายในตอนต้นเนี่ยเห็นธรรมว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้อ่ามีการเกิดขึ้นสิ่งนี้มันจางคลายไปได้ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้นะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตา ก็จนะทําให้สิ่งที่เรียกว่าความจางเกิดความจางคลายสิ่งนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตานะถามว่าเอ๊ะคาดาเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงว่าะตะกี้ไม่มีเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นอนัตตาพราพาะเจ้าก็ถามต่อว่าสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยควรแล้วหรือที่จะเอามาเป็นของเราเอ๊ะไม่ควรสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเป็นของเราหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่สิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยอันนั้นเป็นของใครเอ๊ะไม่ใช่ของเราไงงั้นอย่าเอาอม ก็คือว่ามันอาจจะได้ยินเพราะว่าหูเรายังใช้การได้อยู่มันอาจจะมองเห็นท่าทางของเขาที่ไม่ดีเพราะตาใช้การได้อยู่แต่ก็วางมันไว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องเก็บกลับไปที่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะคะอืมอ๋อฉะนั้นเวลาใครเขาว่าเราอันนี้ไม่ใช่ของเราเธอเอาคืนไปแต่ที่ดีที่สุดเราอย่าไปว่าใครเพราะว่าเดี๋ยวเาก็จะเอาคืนกับเราแน่นอนไม่ได้พูดไว้เลยนะ คุณโยมสิ๋วบอกว่าอาถ้าเผื่อว่ามีคนมาว่าเธออยู่ยแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่มาว่าเธอเนี่ย เ, เธอเนี่ยนะจกโกรธไม่พอใจในชนเหล่านั้นไซส์เนี่ยหนึ่งอันตรายจะมีกับเธอสองเธอก็จะไม่รู้ว่าคํากล่าวของเขาเนี่ยเป็นผู้ภาศิตย์หรือสุ้พาศิอื์คือถ้าโกรธเนี่ยเราอาจจะมีอันตรายแน่นอนมีอันตรายเพราะว่าศิษเราเป็นอาคุณชนอย่างไรอย่างที่สองคือ เราจะไม่รู้ว่าคําของเขาเนี่ยจริงหรือไม่จริงอ๋อเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้อย่างนั้นเนี่ยคะ่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นพุทธว จ, จนะเลยองพพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงทําความหาฆาาเกลียดชังเจ็บชัยในชนเหล่านั้นที่มาด่าเรานะถ้าเธอจะโกรธไม่พอใจชนเหล่านั้นแล้วซ้ายอันตรายจะมีแกเธออืมเธอจะไม่รู้ว่าเธอจะรู้ไหมว่าคํากล่าวของเขานั้นเป็นทุปาษิตหรือสุภาสิตไม่ชัดค่ะอื เพราะฉะนั้นอย่าโกรธข่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากเลยสิคะพระพุทธองค์จึงทรงได้ตรัสเอาไว้เป็นคําสอนฝากมาถึงพวกเราถึงวันนี้สั้นๆอีกนิดหนึ่งว่ายินดีก็เหมือนกันเธอไม่พึงทำความเพลิดเพลินยินดีไม่พึงทําความตื่นเต้นแห่งใจในคําสรรเสริญเพราะว่าอะไรถ้าเพลิดเพลินยินดีตื่นเต้นแห่งใจแล้วอันตรายจะมีแก่เธออันนี้ก็ตรัสอีกเช่นเดียวกัน ไม่ให้โกรธในขณะเดียวกันก็อย่าไปยินดีให้ความสรรเสริญเขาสรรเสริญมาส่วนใหญ่ชอบอะค่ะแหมฟังแล้วเพราะว่าความเพลินเป็นทุกง่ายรู้สึกชอบใจชอบใคคนนี้ขึ้นมาเลย <c oughs> พูดจาถูกใจ <c oughs> ใเป็นมิตรแต่เราอย่าไปเพลิดเพลินเพราะอะไรอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าอันอเพราะว่าถ้าเธอทำความเพลิดเพลินยินดีมีความตื่นเต้นแห่งใจแล้วนะพวกเธอจะมีอันตรายเพราะเหตุนั้นอืมค่ะ ส่วนจะเป็นอันตรายอะไรท่านไปคิดต่อนะค ะ, ะเพราะพระพุทธวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องอามาวิจใ ช, ใช้ธรรมะวิจยะใช่ไหมคะถูกต้องวิจนิดไ <มา S 1> ชค่ ค, <ว> ค, รครวนแล้วก็ยิ่งเกิดประโยชน์ได้ปัญญามากขึ้นคนโถถูก็ทำได้ค่ะวันนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบคุณท่านพบูบุ์ไว้นโอกาศนี้นะคะอะาจรยพรท่านังคะนั่นคือพระอาจารย์ภับุญอภิปุโน วัดดอนหายโศกจะมอุดอนธา น, นีนะคะถ้าจะติดต่อส่งคำถามในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวัจนะท่านผู้ฟังจงสังเกตนะคะท่านตอบคำถามนี่ท่านจะยกพุททวัจนณะตลอดเนี่ยก็ให้ส่งไปที่ w o r l d w i ว e w e b p บ e อ t h a m m a ธร m มแล้วก็สแลเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการปฏิบัติธรรมที่กระมาร์ชชาควโรได้เป็นผู้ที่ มาขยายความเนี่ยท่านก็ส่งคำถามไปได้ที่เดียวกันเช่นเดียวกันหรือว่าจะส่งมาที่หมายเลขนี้022690006022690006 02นะคะที่สถานีวิทยุ FM106 ซึ่งเราแจกหนังสือตอนนี้วันละหนึ่งเล่มคือหนังสือพุทธวจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตนะคะ หมายเลขเดียวกันนี้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดิฉันสันสนีนาคพงษ์และรายการสันสนีสนทนานะคะสวัสดีค่ะ